พุทวสวัสดีคะ่ะท่านฟังที่เคารพค่ะนี่คือรายการสันสนีสนทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติดําเนินรายการโดยสันส น, นาคพงคะ่ะนําเอาคําสอนของพระาศาสดาให้พวกเราได้เรียนรู้และนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิตของทุกท่านคะ่ะเราเริ่มต้นกันด้วยการปฏิบัติกันก่อนนะคะกับการนําของพระมาชาควโรวัฒนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบปทุมธานีน้มัสการค่ะท่านคะ่ะ ท่านฝังที่คทรค่ะและนั่นก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านมาร์คพระมาชาคาวโรวัฒนาปภพงลำลูกกาคลองสิทธ์ได้นำพวกเราปฏิบัติธรรมตามพุทธวจนะพร้อมทั้งอ่านพระสูตรในเรื่องของเหตุให้บุคคลไม่ปรินิพานและปรินิพานให้พวกเราได้รับความรู้เพิ่มเติมกันไปพรุ่งนี้ก็จะเป็นพระสูตรในเรื่องเดียวกันนี้อีกนะคะติดตามกันต่อไปสําหรับวันนี้นะ้ำมศการขอบคุณท่านมากเป็นอย่างยิ่งคะ่ะ ต่อไปเป็นวันพุธเลยค่ะพุทธวสวัสดีค่ะพุทธวสวัสดีบอกท่านว่าพุทธวจนะนั้นถ้าหากว่าเราน้อมนำเอาไปปฏิบัติแล้วชีวิตของเราก็จะพบกับความสวัสดีในรายการนี้จะเพิ่มพูนความรู้ให้กับท่านในเรื่องของคำสอนของพระาศาสดาที่เราเรียกว่าพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอเนะล่ะนะคะเริ่มต้นกันด้วยการปฏิบัติธรรมกันก่อน เป็นการปฏิบัติธรรมตามพุทธวจนะโดยพระมาชาควโรวัฒนาบพงลำลูกาคลองสิทธิ์จะนําการปฏิบัติท่านค่ะพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็เป็นโอกาสอันดีถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสเข้าถึงท่านฝัง่งทั้งหลายต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสอันดีด้วยเช่นกันนะคะ ท่านมาจะนําพระสูตรเหล่านี้กลับมาพบกับท่านทั้งหลายเป็นประจําทุกวันในช่วงต้นของรายการค่ะสําหรับวันนี้นะมัสการขอบพระคุณท่านนะคะต่อไปเป็นวันพฤหัสค่ะพุทธวัดสวัสดีค่ะพุทธวัสวัสดีนําเอารายการสัมสนีสนทนาซึ่งดําเนินรายการโดยสัมสนีน่าพงนะคะกลับมาพบกับท่านเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ เรามีสถานีทั้งที่เป็นสถานีหลักในกรุงเทพก็คือสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเ m ฟ0 6และสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งมีเครือข่ายอีก154หสถานีทั่วประเทศค่ะออกอากาศให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเข้าถึงคำสอนของพระาศาสดากันในช่วงต้นของรายการเป็นช่วงเวลาแห่งการที่ท่านทั้งหลายจะได้ปฏิบัติธรรมกันการปฏิบัติธรรมแม้แต่ วันละไม่มากนะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์พระพุทธองค์นั้นเคยตรัสเอาไว้ว่าแม้เพียงเวลาชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็เท่ากับว่าเรานั้นไม่เหินห่างจากฌานแล้วค่ะก็เชิญท่านได้พบกับท่านมารพระมารชาคาวโรแห่งวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิทธิ์ในช่วงปฏิบัติธรรมตา ม, ตามพุทธวจะนะกันได้เลยนะคะนมรส ก, การท่านคะตอนจบของวันพฤหัสค่ะ ท่านฟอนค่ะเราได้เรียนรู้นะคะว่าเรื่องของนิพพานเป็นอย่างไรกันบ้างต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วในวันพรุ่งนี้ก็ยังจะเป็นเรื่องนี้ที่นามาเสนอเป็นพระสู่เต็มๆให้เราได้เข้าถึงบทพยัญชนะของพุทธวจนะของพระพุทธองค์โดยพระมาชาควโรแห่งวัดนาปาพงลำลูกกาคลองสิบค่ะวันนี้นมสักการขอบพระคุณท่านค่ะต่อไปเป็นวันศุกร์ค่ะพุทโธสวัสดีค่ะ ท่านผู้ฟังที่เคารพคะรายการแซมสนีสนทนารายการที่มีเนื้อหาสาระหลักก็คือการนำเสนอคำสอนของภะศ า, ศาสดาที่เราเรียกว่าพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ไม่เสียแรงว่าเราเกิดมาเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วไม่ได้รู้ถึงว่าภาษาสดาของเราสอนอะไรไว้บ้างแล้วก็เป็นการที่ ให้ท่านทั้งหลายได้ตรงเข้าสู่คําสอนของพระพุทธองค์เลยนะคะรวมไปถึงในส่วนของการปฏิบัตินี้ก็เป็นการปฏิบัติตามพุทธวจนะเราเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมตามพุทธวจนะซึ่งจะนําโดยพระมาชาคาวโรแห่งวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิปงทปทุมธานีค่ะถาว่าเราอยู่ในโลกข้างนอกความสุขของเรานั้นก็แล้วแต่ว่าท่านใดจะชอบ อย่างไรแต่ความสุขในที่นี้ในรายการนี้ในความหมายของคำสอนของพระาศาสดาที่เป็นความสุขอย่างยิ่งแล้วคือนิพพานค่ะและก็เป็นความรู้ที่พระมารชาคาวโรได้นำพวกเรามารับรู้รับทราบในเรื่องนี้ติดตามท่านได้ไหมนะคะในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ค่ะวันนี้นอะมาตการขอบพระคุณค่ะ ก็ถึงเวลาของท่านเพรูอแล้วล่ะค่ะ